เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทา่านั้นแต่ลงปะโพุทธิยานในวันนี้ก็คงมาทำความเข้าใจกับพระวายจาของพระโุทธศัสที่ทรงเปล่งออกปรารถนาที่จะทำให้พระองค์ศัสรู้และจะสอนบุคคลอื่นให้ศัสรู้ตามด้วยทำให้พระองค์หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส และความทุกข์และจะช่วยบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสและความทุกข์ด้วยจะทําให้พระองค์ข้ามจากโลกขึ้นหลุดพ้นจากโลกเข้าสู่ภาวะของโลกุตระขึ้นเหนือโลกและจะช่วยบุคคลอื่นให้ข้ามจากโลกได้ประเด็นสําคัญที่ทรงมองเห็นก็คือว่าสังสารวัฏนี้ มีภัยมากเลเกินประเด็นคำว่าภัยหรือทุกข์หรือโรคนี้เป็นประเด็นหลักในการมันเกิดขึ้นของพุทธศาสนาซึ่งก็มหมายความมาถ้าโลกไม่มีทุกข์ไม่มีภยัยไม่มีโรคความจำเป็นของศาสนาก็ไม่มีแต่าวาสาใดที่โลกยังมีทุกข์มีภยัยมีโรคอยู่ความจำเป็นในด้านศาสนาก็ต้องมีอยู่ตราบนั้น เวลาทรงแสดงพระธรรมเทศนาจะแสดงไว้โดยนนย่ต่างๆคือแนวคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นจะมีอยสองลักษณะใหญ่ลักษณะหนึ่งเรียกว่าปริยายคือทรงแสดงเนยัาหนึ่งเนยัาหนึ่งเป็นการเจาะจงเฉพาะคนกลุ่มนั้นหร้อเขาฟังแล้วเขาจะได้ประโยชน์โดยวิธีการแสดงอย่างไรก็จะทรงแสดงอย่างนั้น แต่ว่าธรรมะบางประการโดยพื้นฐานของผู้ฟังมีพื้นฐานว่าสนาบารมีสูงก็จะทรงแสดงธรรมะในรูปที่เรียกว่านิปรยายคือแสดงอย่างนั้นทุกทีคราวนี้พึสังเกตว่าเวลาทรงแสดงเรื่องอริยสัจสี่เมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นก็จะเป็นโครงสร้างอริยสัจสีแลว้วก็เริ่มจาก ชาลาปีดุข้าชาลามรนัมปีทุขั้งพยะชาติความเกิดเป็นทุกชาลาความแก่เป็นทุกมรณะความตายเป็นทุกคือจะเริ่มมาอย่างนั้นทุกทีหรือว่าพูดถึงสมุทยัยก็จะพูดถึงตัณหาสามทุกทีพูดถึงนิโรธคือความดับทุกข์ก็จะแสดงลักษณะาอาการของจิตที่ปราศจากกิเลส ล้วก็สะทอนออกมาในรูปหลักต่างๆแล้วก็มาสรุปที่เาริมารคเปี่ยมแปดประการซึ่งก็หมายความว่าแปลข้อทุกครั้งเหมือนกันกรนีก็เรียกว่าแสดงแบบนิพประยยเป็นธรรมะที่ลงปลัวอย่างนั้นแต่ในประยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งก็เป็นเช่นเดียวกันที่จริงมันมีจุดหมายปลาทางคือจะไปรวมกันอย่างเหมือนกับ ฝนตกจะส่วนต่างๆของโลกพอถึงจุดหนึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลรถของน้ำเหล่านั้นก็จะเข็มเหมือนกันต่มาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนามันเป็นสรุปรวมรวมที่ก็ เ, เรียกว่าวิมุตคือจิตซึ่งหลุดพ้นจากกับนาของกิเลสแตานาจของความทุกขเมื่อกิเลสมันหมดทุกขก็หมดภัยก็หมด อันตรายต่างๆก็หมดโรคอาจจะมีแต่ก็เป็นโรคทางกายก็เป็นธรรมดาของสังขารท่านเรียกว่าเป็นไปกินอะไรกทุกข์คือทุกข์ที่จอดมาพเพราะเมือ่อประรบประเด็นนี้ก็แค่ที่จะนำท่านผู้ฟังไปศึกษาถึงกรอบขอบข่ายส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่าภัยแล้วก็คำประตุก แต่ทางภายัยทางทุกข์มันก็มีความเสียแทงคือมีลักษณะเป็นโรคอยู่ทรงจะน่าแสดงภัยไว้โดยนิยาต่างๆและในชีต่างๆเริ่มมาจากภัยที่ตุมเป็นตัวหลักจริงๆคือชาติภยัยชราภายัมาภายมรณะภัยนั่นก็คือสภาวะทุกข์หมายความาในความเป็นภัยก็คือมีทุกข์แล้วก็พร้อมที่จะเกิดโรคในลนักษณะต่างๆ รุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างก็แล้วแต่ดังนั้นเวลาพูดในที่บางแห่งเราจะพูดแค่ทุกข์ที่จะไม่พูดถึงภยัยในประเด็นนี้ประโพธิสัตว์ประรบภยัยก็ต้องมองกลับไปว่ามันสืบเนื่องมาจากการมองปัญหาที่คนตกอยู่ในทะเลเรืออพาร์ตเมนตก็ต้องแบวกว่ายอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นจะท่านจะมองในแง่ของภยัยซึ่งเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ แต่วคนไม่สามารถจะต้านทานภัยเือธรรมชาติเหล่านั้นได้แต่เวลาทรงแสดงนั้นเป็นการแสดงจากสัพพนยิยตยานคือสมงองโดยในยะต่างๆที่มีความสมบูรณ์วันจุดเล็กๆซึ่งเกิดขึ้นในอดิตการในานไกลพอมาถึงประสัพพนยิยตยานก็กลายเป็นกรอบขอบข่ายที่กว้างใหญ่ไพศาลออกไปได้ปัญหาวาัฏจความเกิดเป็นภัยยางไง เป็นภัยก็เพราะว่าได้สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคลตั้งแต่คือปฏิสนธิในคันก็มารดาแล้วแเ้ื่อนออกมาจากคันก็จะประสบภัยอันตรายด้วยประการต่างๆแม้แต่ตอนอยู่ในคันก็ถึงคือในแง่ของชีววิทยาเราเห็นว่าสัตว์โลกเป็นนั้นมากที่ ปฏิสนธิในคันมารดาแล้วมารดายังไม่รู้แล้วก็ตายแล้วจำนวนนี้จะเป็นอนิรกันนั้นมาเพราการที่สัตว์โลกตนหนึ่งหรือคนหนึ่งได้คลอดพ้นออกมาจากคันมารดาก็มาเจอภัยจากข้างนอกแล้วภัยที่ติดตัวเธอมาจริงๆก็คือชาติภยัภยคือภัยคือความเกิด แล้วพอเกิดมาแล้วมันก็เลื่อนไหลก็สู่ความแก่ตั้งแต่วินาทีแรกเป็นต้นไปเพราะเราก็แก่อยู่ทุกวินาทีแต่ความแก่ในช่วงนี้ท่านเรียกว่าความแก่ที่ปกปิดจเดิมปกติแล้วคนก็ชักจะชอบก็ชอบไปเรื่อยๆจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่จนถึงกลางคนความแก่ก็เริ่มปรากฏก็เรียกว่า อปติจันะชราคือชราที่ไม่ปกปิดแล้วมันปกปิดไว้ไม่อยู่อาการอ่อนเพลียอาการเจ็บปวดอาการผมงอกฟันหักจากูุประสาทเสื่อมการรับฟังเสียงไม่ค่อยจะถนัดเป็นต้นมันก็เริ่มเกิด ข, ข, ข, ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แสดงเห็นว่าชีวิตมันก็เลื่อนหลก็สู่ความแก่ในทันทีทันใด แล้วในช่วงจากแก่ถึงตายจะเกิดถึงตายเราก็มีความทุกข์ประเภทต่างๆเกิดขึ้นแต่ในที่นี้ก็ส่งเน้นในตัวสภาวะทุกข์จะถามว่าทําไมจึงเป็นทุกข์อยู่ด้วยนะะแต่จริงๆมันเป็นทุกข์นะแต่ว่าท่านมองในมุมของเป็นภัยเพราะปัญญาเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกที่พัดผันชีวิตของบุคคลเขาสู่ความทุกข์เป็ น, น, นเอเนกันนั้นผลทุกข์ภัยโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องอันเดียวกัน แล้วก็ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ภัยอันตรายส่วนหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยเห็นว่าถ้าเจอแนวนี้ก็จะสอนในแนวงการบดการกระตุนแล้วพยายามจะลดปัญหาลดความรุนแรงลงไปจนถึงมรณะภายัยภัยคือความตายทั้งหมดได้ลองสังเกตว่าเราไม่ชอบ แล้วก็แปลกที่เราชอบคือคนไม่ชอบความเกิดไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายแต่ชอบความเกิดก็เป็นคนดีเหมือนกั น, นปนัญหาเหล่านี้จึงทรงสอนในแนวที่ให้เราพิจนารณาที่ท่านเรียกว่าอภินิหาปัจจเวกขณะ หมายความว่าสอนให้พิจารณาบ่อยๆพิจนารณาเนืองๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอจนสามารถปรับจิตยอมรับความจริงของชีวิตว่าเอวังธรรมโอเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเอวังธรรมโอคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอวังภาวีสภาวะมันเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่สามารถจะร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ แต่ความเกิดเป็นสิ่งที่คนเรียกร้องต้องการปรารถนากันสารพัดในความเป็นพ่อเป็นแม่เองที่พยายามแต่งงานก็ต้องการจะมีทายาทสืบสกุลและเมื่อแต่งงานกันไปแล้วถ้าไม่สามารถจะมีลูกได้ก็ต้องพยายามคนขวข้ด้วยวิธีการต่างๆแล้ต้องมีลูกให้ได้ ถ้าหากคนมีไม่ได้จริงๆมันก็ต้องมีวิธีการอย่างอื่นที่หาคนมาเป็นลูกมีลูกบุญธรรมบ้างรับหลานมาเลี้ยงในฐานะเป็นลูกบ้างหรือบางครั้งบางคราวอย่างพวกพราหมณ์เนี่ยมันมีพื้นฐานความเชื่อว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้วถ้าหากว่าไม่ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกชายตายไปก็จะต้องตกนรกวันนรกขุมนั้นแหละก็ชื่อว่าปุตตะ ผู้าพามก็ริดวนควนควายได้วิธีการต่างๆบางครั้งบางคราวเป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างแรงเช่นว่าลูกของตนที่เกิดขึ้นกับพัญยาของตนนั้นเป็นความถูกต้องแต่บางครั้งมันก็เป็นไปไม่ได้อาจจะเอาลูกของพัญยาที่เกิดขึ้นมาจากสายอื่นเพื่อจะเอาหลานมาเลี้ยงในฐานะเป็นลูก เราจะขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงเป็นปุกปุ่นทาบางทีหนักหนาสาหัสสาการขึ้นมาก็ให้ปัญญาไปรับนองกระชายอื่นเพื่อให้ตนมีลูกขึ้นมาก็แสดงว่าเอาควาจริงมนุษย์ก็ชอบให้คนอื่นเกิดชอบการเกิดแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธผลที่สืบเนื่องมาจากความเกิดคือไม่ชอบความแก่ ไม่ชอบการทัดแพา่ไม่ชอบความตายโดยเฉพาะอย่างนี้คือความตายกลับมองเป็นเรื่องอัปมงคลในขณะที่จุดเริ่มต้นเรามองเป็นมงคลแต่พอถึงตายเราก็มองกลับเป็นอัปมงคลบางครั้งบางคราวพูดถึงยังไม่ได้แต่ทั้งไปเราถือว่าเป็นพูดเรื่องที่เป็นอัปมงคลในชุดนี้บางทีก็ทรงแสดงเพื่งพยาธิภัยเข้ามา ก็ทำให้เราสื่อสารบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงสภาวะทุกเนี่ยคือสภาวะจริงๆมันมีเฉพาะเกิดแก่ตายนะแต่ว่าบางทีเราจะพูดเกิดแก่เจ็บตายเข้าไปตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในอภินหารปฏิเวกขณะที่ทรงสอนในพิจนารณานั้นตัวความเกิดมันผ่านมาแล้ว คือเราเกิดแล้วแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะพอสงควรแล้วเพราะนั้นเวลาทรงสั่งสอนให้พิจารนาก็พิจารณาเรื่องสี่เรื่องว่ามาเกิดมาแล้วเราก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาดูแล้วคล้ายๆจะเป็นเรื่องง่ายแต่ก็จริงก็ทาใจยาก เพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เราชอบเกิดแต่เราไม่ชอบแก่ไม่ชอบเจ็บไม่ชอบตายไม่ชอบคล้ายๆหมายความว่าต้องการเหตุแต่ปฏิเสธผลเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วก็หมายความว่าคล้ายๆกับเราไม่ต้องการกลิ่นอุจจิระด้วยดอกอุทจิรแต่เราปลูกก่ออุทจิรแต่เราไม่ปรารถนาที่จะได้สูดกลิ่นดอกอุทจิรเข้าไป เราสร้างเอตแต่เราก็ไม่ต้องการผลนั่นก็คือปัญหาที่สร้างความสับสนขึ้นภายในชีวิตจิตใจของบุคคลทั้งหลายพระพรเจ้าจะสอนในแนวปรับสภาพจิตคือคนยอมรับความจริงตรงนี้ว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย และช่วงจะเกิดถึงตายนอกจากเราจะเจอความแก่ความเจ็บแล้วเราจะต้องประสบกับการพละดพราการสูญเสียที่จริงการพละดพราดสูญเสียเนี่ยมันเป็นคติธรรมดาเพราะสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าเราไป ม, มีความรู้สึกผูกพัน ที่สมเด็ศาสนาทังางใช้มักใช้คำว่าหยิดดียิ น, ยนายคือความรักความชังครอก็จริงเราก็เอานื้อใหไม่คยได้เหมือนกันต่อการพระราตสูญเสียสิ่งบางสิ่งคนบางคนเรากลับดีดีแต่การพระรากุสูญเสียสิ่งบางสิ่งสั ต, บบตว์บางตัวคนบางคนเราเกิดเศร้าโศกถ้าถามว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุหรือว่าใจเราเป็นเหตุ เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากใจเราที่ไปกําหนดสถานภาพของสิ่งเหล่านั้นด้วยอํานาจความรับความชั่งเราเห็นว่าคนที่เราชังแก่ก็ดีเจ็บก็ดีตายก็ดีพลาดพลาดสูญเสียก็ดีล้มละลายก็ดีเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่ว่าลึกๆนี่ค่อนข้างจะดีใจเลยทำไปถ้ามีมันญาติหน่อยถ้าไม่มีมันญาติก็อาจจะแสดงอาการออกมา แต่ความชื่นชมยินดีมีการเฉลิมฉลองที่คนส่วนตัวไม่ชอบประสบความพิบัติซ้ซําๆๆๆขึ้นมาอย่างนั้นเกิดแสดงว่าการประสบภัยพิบัติของเขาก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยส่วนตัวเขาแต่เนื่องจากเรามองเขาในฐานะเป็นศัตรูเราก็เกิดชื่นชมยินดีในขณะเดียวกันกคนซึ่งเรารักนั่นเองเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากตามธรรมดาของเขา แต่ว่าอัตราตัวตนของเราก็ค่อนข้างใหญ่หรือจะเข้าไปควบคุมไม่เป็นไปตามที่เราตามตามที่มันต้องเป็นไปอนะเพราะเราจึงสศกเมื่อประสบกับปัญหาการพลาดพลาดสูญเสียคนอันเป็นที่รักเห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นจากการไม่ยอมรับสภาวะของความจริงตรงนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาใหญ่บ้างหรือแล้วแค่เป็นเรื่องเล็กนะ แต่เราสังเกตเรามีปัญหาเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายเรื่องการรัฐพระสูญเสียนี่เป็นปัญหาตลอดและเวลานี้มันมีปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงมันก่อนก็ได้รับรู้เหตุการณ์อย่างห น, นึ่งแต่ทั้งหลายคุณนึกออกว่ามีมาวิทาลัเอกชนแห่งหนึ่งมีการกระโดดลงมาตาย พอเราศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วชักสงสัยว่ากระโดดจริงหรือเปล่าพอเวลนี้มันมีกิจกรรมอย่างหนึ่งเป็นการเล่นพนันบอลกันทางโทรศัพท์แล้วก็ถ้าใครแพ้ก็โ อ, อนเงินกันทางโทรศัพ ท, ท, ท, ท์ทางทางทางธนาคารนะเเงินทางโทรศัพท์ทั้แหละที่จริงแต่มาความมีบัญชีอยู่ในธนาคารก็โ อ, อนเงินเข้าไปในธนาคารแต่บัญชีนั้นบัญชีนี้บัญชีนโน้นอะไรต่วไห ทีนี้คนบางคนเนี่ยมันก็คาดหวังแต่ที่ตัวเองจะได้ไอ้นึกว่าการพนันทุกชนิดมันก็ผิดทั้งหมดพอไปเริ่นข้าวพอแพ้มันก็ไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายพวกนั้นก็ข่มขูข่คุกคามจนถึงรูว่าจะผลักให้ตกมาจากข้างบน ม, มีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งถูกรูจากแก๊งเหล่านี้แล้วแก๊งเหล่านี้ก็เป็นนักศึกษานันเด็กอยู่ในที่นั้น คือแสดงว่าเรียนสูงยิ่งเร็วมากขึ้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพื่อนต้องช่วยกันเสียสละหางเงินมาม้อให้แก่เพื่อนของตัวเองซึ่งเล่นการผนหันบอนแพ่เพื่อจะนําไปใช้รักษาชีวิตไว้แล้วใครก็ไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มันแสดงเห็นถึงความเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมสืนเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาจากโลกแบบง่วง สานการ์ของกิเลสประเภทโลภกับประเภทโมหละล้วคนเ่ามีเมื่อเขาได้เขากวมเลื่อมเสืสารกลายเป็นแกงแบร็กเมีู่กันโชคทรัพย์คนอื่นชีวิตของโยชชนก็ตกอยู่ในสภาพที่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเธอศึกษาระดับมหาเชลยัยแต่ความคิดเลวร้ายเหมือนแกงมาเฟีย เมื่อต่อไปเธอจบมหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนสูงขึ้นไปมันจะใสความฉลาดไวพิษของตัวเองที่เรียนมาเอาล่ะดอกเร็วคนอื่นมากขนาดไหนกรนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปสู่อดีตการไม่ต้องไกลเท่าไรมันมีความคิดเกิดขึ้นในยุคนหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ตามปกติแล้วจะเป็นคนเรียนดี แล้วก็มีความรู้สูงเป็นปัญญาเอกเป็นปัญญาโทจบการศึกษาม่จะต่างประเทศตังความคิดของคนจำพวกนี้ส่วนหนึ่งไหมยะทุกคนมันคิดว่าเราเป็นคนเรียนดีแล้วก็มีความรู้สูงเราต้องได้เงินมากเงินเดือนมากแล้วก็รวยเร็ว เปียนไป่ยนมากเกิดเห็นแก่ตัวจัดแล้วก็กลายเป็นการเอาัดเอาเปรียบคนอื่ซึ่งอ่อนด้อยในภูมิธรรมในภูมิธรรมสติปัญญานะฮะทั้งภูมิธรมรมและสติปัญญาบางทีภูมิธรรมมันไม่อ่อนด้อยหรอกแต่ว่าสติปัญญามันอ่อนด้อยมันถูกยั่วโลภมันเกิดความโลภขึ้นมาตัว น, นี้เราเห็นว่ามันเกิดภัยแล้วมันเกิดภัยซึ่งสืบเนื่องมาจากการเกิดของเรานัในแหละ แต่ออกมาในรูปของอะไรล่ะแก่แนะ่ๆเจ็บแน่ ๆ, ๆ, ๆ, ๆแต่ว่ามันเกิดเป็นพยาธิไผ่ขึ้นมาคือเป็นโรคกายแล้วก็เป็นโรคใจเด็กก็วีตกกังวลหวาดระแวงต้องหนีเก็เจิดเกิเจิงไปในที่ต่างๆมีความหวาดกลัวถูกคุมคู่คุกคามถามว่าทางบ้านเมืองรู้ไหมก็ปรากฏว่ารู้นะ ถามาครูบาอาจารย์รู้ไหมก็ปรากฏว่ารู้แต่ว่าการศึกษามันจัดในแบบธุรกิจคือมองไปที่สิ่งตัวเองจะได้ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะให้จิตวิญญาณของครูก็ตกต่ำลงไปโดยลาดับปัญหาเหล่านี้เป็นปนัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ออกจะทาวอนแต่แน่นอนถ้าเรามองให้ใจสุก มันก็เป็นโทษของวตตะวัตวตะคือการบุ้มบวมในสังสารวัดก็เป็นอย่างนั้นเองคนฉลาดแกมโกงก็จะเอารัดเอาเปรียบสังคมคนมีกำลังมากก็จะกลมเหงุเหงผู้มีกำลังน้อยผู้มีฐานะตำแหน่งชั้นยศสูงก็จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นสมเับคนเลวบางคนนี่เป็นปัญหาที่มีแล้วก็กระจายขึ้นไปเรื่อยภายในสังคม แต่ว่าการที่ใครจะปรุงตกกว่านี้คือโทษรรงวัตตะเนี่ยมันไม่ใช่ทำได้ง่ายนะตัวการฝึกปือคิดพินิษพิจารณาและพยายามทำความเข้าใจกับชีวิตให้ชัดเจนจนสามารถปรุงตกในปัญหาทั้งหลายและในขณะเดียวกันหยุดตรงนั้นไว้เป็นบทเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตของตัวนิวการต่อไปแน่นอนในช่วงนั้นเพื่อให้เกิดความสวัสดีแก่ตัวเองจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มครองอะไรก็คุณทำไม่ได้หรอกบา้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นคนนิดหน่อยเท่านั้นเองมาเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นเด็กเหล่านั้นจะต้องใช้สองอย่างคือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเพราะหน้าให้ได้แล้วก็ เกิดความหลาบจำสำนึกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นอีกต่อไปแต่ทาได้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์แม้จะประสบกับโทษของวัตระอยู่แต่ก็สามารถจะลดความรุนแรงของโทษแห่งวัตฏะลงไปได้บ้างทั้งเทียงแต่ไรแต่ลมงพ่อปัญญานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตเนี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกนามไปบุญในธรรมต้องมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี